การปฏิบัติทั้งได้ยินได้ฟังทั้งเอาไปทําดูสิ่งที่เราได้ทําก็ทําตามสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเราก็าไปทําให้มันเป็นส่วนประกอบให้มันสมดุลจึงจะเป็นการปฏิบัติเราพยายามที่จะทําเรื่องห ล, หลายเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวสรุปลงมา ทำเรื่องเดียวเป็นหลายหลายเรื่องเป็นชีวิตของเราเราจะว่าก็ชิเลตพันห้าันหารอยแปดมีความโรคความโกรธความหลงมีคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นมืสี่พันเรื่องถ้าเรามาคิดได้ยินจากนี้เราก็พอใจั้งทีก็ไม่กล้าที่จะทำอะไร ออกไปเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าไปการตัสรลูกของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าพระรหันต์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องของพระรหันต์แต่สาวกทั้งหลายก็เราเรื่องกับพวกเราอต่ น, นี่มันไม่ใช่แปดหมื่นสี่พันเรื่องสรุปลงมามันก็เรื่องของกายของใจเรานี่แหละเรื่องของกายของใจเรานี่มันก็มีมากมาย อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเกิดสุขเกิดทุกข์เพราะเรื่องของกายของใจเกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดปัญหาต่างๆก็เรื่องของกายของใจเราจึงมาดูว่ามันคืออะไรกันแน่เราจึงมาเจริญสติดูสิว่ามันคืออะไรไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช้ความคิดเหตุผลนั้นใด เองแต่เรามาลู่จึกตัวลู่จึกตัวกัอบอริบทที่เราเจตนาเป็นรูปแบบเป็นนิมิตว่าจะให้สติมันอยู่ตรงนี้ให้มันลู่อย่างนี้ให้มันลู่อย่างนี้ถ้าสติมันได้ดูได้ลู่ได้เห็นเรื่องเดียวนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นแหะตรงนั้นนั่นแหละเราสร้างความรู้มันอาจจะเกิดความหลง ความหลงมันคืออะไรแล้วก็พอได้หลงไปตามความหลงความหลงเราก็เอามาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตัวทําได้ไหมทําได้ไหมเราทําดูเราทําทดูโอ้มันทําได้มันทําได้ไหนว่ามันจะทําไม่ได้คิดยุ่งคิดยากไปพอทําลงไปมันก็ทําได้เพราะมันหลงที่ใดก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวอ้าวผมหลงก็มไม่ไปถึงไหน ไปแค่คืบแค่สอกแล้วก็กลับมาได้แต่ก่อนมันหลงไปนานจนเกิดอาการปรงุปรงรงตงแต่งแบบนี้พอมันหลงวับเรารู้ทันกลับมาทันความหลงก็ไปไม่ได้เมื่อความหลงมันไปไม่ได้ก็มีแต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวใ้เรามาสร้างตัวนี้วิธีที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัว เราก็หามาไม่มากมาหลายหลายหลายอย่างเป็นวัสดุอุปกรณ์เิดความรู้สตัวเจวกับกครเจวกับใจนี่แหละหามาแล้วรูปแบบจริงๆงซึ่งเป็นหลักเป็นฐานให้บรรสมกับชื่อว่าวิชากรรมฐานหรือว่ามีที่ตั้งมีที่ตั้งแห่งการกระทา ที่เราเรียกว่ากรรมฐานนั่นเป็นที่ตั้งแห่งการกระทาอะไรตั้งอะไรทำอะไรเอาสติมาตั้งไว้ที่กายดังที่อาจารย์สงสินอจานยทุ่มฤาษีสาธิตให้เราดูเอามาตั้งไว้ที่กายส่วนไหนเป็นกายหลายอย่างการยกมือสร้างจังหวะก็เป็นกาย การเดินจงกรมก็เป็นกายการหายใจการพริบตาการคืนน้ำลายคู่เยือดเคลื่อนไหวทั้งหมดเอามาเป็นวัสดุปรณกให้เกิดความรู้สึกตัวเจตนาที่เราทำมันก็เป็นหลักอยู่แล้วยกมือสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันเป็นหลักสูตรมันเป็นสูตร ล้วสูตรย่อยๆมันก็มีเหมือนเราเรียนสูตรคูณแล้วขยายไปเป็นนั้นบวกลบผณหารได้หลักของการเจริญสติที่เราเรียกว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเอาด่ๆก้อนๆมาทำไม่ต้องมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนรู้ซื่อซื่อรู้ตรงๆให้มันรู้ซื่อ ถ้าเป็นสติจริงๆมันจะซื่อๆตรงๆไม่มีอะไรที่ไปบังคับกับสามันรู้อยู่ตื่นๆไม่ลึกไม่ลึกลับแพีงพลิกมือขึ้นก็รู้นะตื่นๆไม่ลึกลับมันลึกซึ้งพอพลิกมือก็รู้พับใส่ลึกซึ้งไม่ต้องไปหาไม่ต้องประเหตุเขาโผล่จันรู้หรือเปล่า มือของฉันวางอยู่บนเข่าฉันร pues. ู cool er <S 2> <S 2> ้หรือเปล่าไม่มีคําถามอว่ามือของเราอยู่ตรงไหนเราก็รู้เองเราเลิ่มือขึ้นเราก็รู้ว่ามือเราเลิกหรือยังไม่มีคําถามเรายกมือเรายกหรือยังหนอมือเราเนี่ยไม่มีคําถามมันรู้ซึ้งรู้มันก็รู้แล้วมันก็รู้แล้วเลิกมมือขึ้นมันก็รู้แล้วยกมือขึ้นมันก็รู้แล้ว พอเมือคลื่อนมาอย่างนี้มันก็รู้แล้วมีสิบสี่รู้มันบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วมันก็รู้มันก็จบไปมันเป็นความรู้แล้วมันเป็นความรู้แล้วทาเท่านี้ทําเท่านี้เริ่มต้นจากจุดนี้และวบางทีมันอาจจะไม่รู้บางทีอา จ, จะเกิดความหลงอาจจะเกิดความง่วงหลงไปทางไหนกลับมาได้ทางนั้นความรู้สึกตัวเป็นตัวหลักเป็นตัวฉเฉลย มันหลงไปไหนกลับมาหาความรู้สึกตัวพอมีความรู้สึกตัวความหลงมันก็หมดไปหยุดไปแมนะ้ว่ามันจะเกิดอีกเกิดอีกมันก็รู้อีกรู้อีกไม่เสียหายอย่าไปกลัวความหลงอย่าไปถือว่ามันผิดไม่มีอะไรผิดตัวกรรมาฐานจริงๆมีได้เห็นจะไปเอาผิดจะไปเอาถูก มันไม่มีผิดมันไม่มีถูกไม่แต่เห็นแต่พื่อเธอพื้ไปมันรู้ก็เห็นมันรู้มันหลงก็เห็นมันหลงตัวเห็นหลงเห็นรู้นั่นแหละเรียกว่าสติแล้วก็มีการกระทำตัวเจตนาใส่ใจทำอยู่หรืยกว่ากรรมต้องทำให้มันต่อเนื่องถ้ามันเป็นกรรมกรรมมันจึงจะจำแนกไปเป็นผวดใจถ้าไม่มีกรรมมัวไปเหตุเอาผลมันก็เป็น ความคิดมันไม่ใช่เป็นของเก่งผลมันจะจำแนกไปเองว่าแต่เราทำกรรมตรงนี้ทำสบายๆทำเบาๆวางๆคลายๆเรื่องของกายก็คลายๆอย่าไปกดไปกึงพราะความรู้สึกตัวมันเป็นความพอดีพอดีไม่ตึงไม่เครียดไม่ย่อนพอรู้สึกตัว ถ้ามีอะไรไปซ้อนกับความรู้สึกตัวเข้าไปอาจจะเครียดอาจจะง่วงได้ง่ายอาจจะหนักนั่งอาจจะได้ไม่ค่อยนานเออก็ตั้งอยู่ไม่ค่อยนานถ้าทําเบาๆง่ายๆมันอยู่ได้นานการนั่งก็นั่งได้นานมันเบาๆความรู้สึกตัวเนี่ยมันเบาๆทําเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาความรู้สึกตัวทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เขาว่ารู้แล้วเขาว่ารู้แล้วมันจบแล้วเราทำอย่างนี้บางทีของที่มันเบาๆเราไปทำให้มันหนักของท่ทมันทาง่ายๆเราไปทำให้ยากบางคนพอปฏิบัติก็เครียดไปเลยอยากรู้อยากรู้อา้าวไปเอาความอยากม า, มาประกอบกันอีกแล้วกลัวมันจะผิดอา้าวไปกลัวผิดอีกแล้วอยากได้ถูกก็ อ, อ้าวว่อยากได้ถูกก็เกิดขึ้นมาแล้ว มันหลงไปก็อา้าวไม่อยากให้มันหลงหรือว่าผิดแล้วเอาไปผิดไปถูกไปหลงไปรู้อยู่มันไม่ใช่ตัวปฏิบัติคือตัวรู้สึกตัวตัดไปเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันไม่ง่ายไม่ลึกลับซับซ้อนอะไรใครก็รู้ได้เป็นของนําหน้าเป็นของโชว์ รู้สึกตัวเต็นของที่โชว์เห็นได้ง่ายไม่ต้องไปเปิดหาไม่ต้องใช่ว่าหามันมีอยู่แล้วไม่เหมือนกันบเราไปหาของที่มันหายไปของที่มันมีอยู่แล้วทําโชว์ขึ้นมายกให้มันโชว์ขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะมันเห็นได้ชัดกว่าอย่างอื่นกองหลงย่างยากกว่าความรู้ด้วยซ้าไป ความรู้สึกตัวมันง่ายๆมันเป็นของคู่กับกายกับจิตจริงๆแต่ความรู้สึกตัวก็ช่วยเราอยู่ไม่นี้นไปไหนแต่บางทีเราไม่ให้โอกาสความรู้สึกตัวเฉยๆหรอกเราให้โอกาสความหลงมากเเฉยวันนี้เจ็ดวันนี่เรามาให้โอกาสให้ความรู้สึกตัวเท่าที่เราจะให้โอกาสได้ แล้วก็พยายามสร้างเสิ่งแวดล้อมให้ความรู้สึกตัวมันงอกงามอาจจะมีการสำรวมลงบ้างอายตนะทั้งหลายสำรวมลงมาอยู่ที่การเคลือ่อนไหวประตูเดียวแต่มันจะเห็นทางตาไม่จำเป็นก็ต้องจะไปดูมันแต่มันจะ หลงไปทางหูไม่จําเป็นก็อย่าไปฟังมันฟังแล้วก็อย่าไปใส่ใจเอาถูกเอาผิดกับตากับหูกับลูกกับรถกับกลิ่นกับเสียงตัดตามาดูมารู้สึกตัวกับกายไปก่อนให้โอกาสเข้าข้างความรู้ึกตัวให้มากมาเข้าข้างความรู้ึกตัวให้มากมาให้ออกหน้าออกตาให้เป็นใหญ่ชีวิตเรา ก่อนความหลงอาจจะเป็นใหญ่วันนี้ให้ความรู้สึกตัวเป็นใหญ่แม้อะไรจะเกิดขึ้นต้องกลับมารู้สึกตัวก่อนจึงค่อยไปตอบจึงค่อยไปสุขจึงค่อยไปทุกข์ถ้ด่วนไปสุขไปทุกข์ด่วนไปผิดไปถูกมันสุดตรงไปทางหนึ่งถ้ากลับมาหาความรู้สึกตัวมันจะเนื้อสุขเหนื้อสุขเหนื้อทุกข์เนื้อผิดเนื้อถูกทันที เป็นของที่สากลใช้ความรู้สึกตัวเท่าที่เราจะให้มันออกหน้าได้สมมติว่าเรานั่งอยู่มันคิดจะลุกตัวคิดจะลุกมันเกิดจากความคิดก็อย่าทำตามความคิดแม้มันคิดจะลุกก็ใช่แล้วแต่นั่นอย่าลุกตามความคิดความคิดมันสั่งแล้วอย่าไปทำตามความคิด ให้รู้สึกตัวเสียก่อนบางทีมันคิดจะลุกไม่ต้องลุกในเวลามันคิดดูดีๆเช่นก่อนกลับมารู้สึกกายเส่ก่อนถ้าจะลุกก็ลุกด้วยความรู้สึกตัวเห็นเวลาเราเดินจงกรมอยู่มันคิดจะนั่งก็อยากไปนั่งตามความคิดไวจนเกินไปเราจะตามหลังเขาเขาจะออกหน้าแต่พื่อเือไป ควางคิดนั่นนะก็เวลามันคิดจะนั่งก็ไม่ต้องนั่งรู้สึกตัวจะกอดดูดีๆก่อนเพิ่องตําามถ้าเราจะนั่งกน็นั่งตามความรู้สึกของเรานั่งตามความรู้สึกของเราเรียกว่าหัดให้สติเป็นใหญ่เชื่อฟังเหมือนเราทำงานทำการไม่หัวหน้า เรายังไม่ชำเนี่ชํานาญให้หัวหน้าพาทำรรให้ครูอาจารย์พาทำให้ครูอาจารย์สั่งให้ครูอาจารย์สอนอาจจะผิดน้อยแต่เราทําไปเลยอาจจะผิดมากโวดทเราจึงฝึกอย่างนี้การฝึกตัวเองการฝึกชีวิตของเราถ้าไม่จําเป็นก็ไม่พูดถ้าจะพูดต้องมีสติรู้สึกตัวหัดช้าๆไว้ก่อน แต่ด่วนผลผัผนแล่นการฝึกตนการสอนตนมันจะเห็นของกินเห็นเงื่อนไขแต่ทำแบบหลวบหลวบราบราบมันจะไม่เห็นของกิงเห็นเห็นกายเห็นเป็นรูปนะมันบอกให้เราเห็นอยู่แต่เราไม่ใส่ใจเชินความหลงอย่างนี้ความหลงเราไม่เห็นความหลงจริง ความหลงก็หลอกให้เราหลงอยู่เรื่อยๆความทุกข์เราไม่เห็นความทุกข์จริงๆความทุกข์ก็หลอกให้เราทุกข์อยู่เรื่อยๆความโกรธเราไม่เห็นความโกรธจริงๆความโกรธก็หลอกเราอยู่เรื่อยๆวันนี้ถ้าเรามาดูเข้าดูเข้าโอ้ความหลงมันเป็นอันหนึ่งกับความรู้สึกตัวต่างกันอยู่มันต่างกันเหมือนผ้ากับดินความหลงกับความรู้นะดูดีๆแล้วผู้ที่ปฏิบัติผู้มีจิตใจแยบคลาย ความหลงเป็นประโยชน์มากแต่ผู้ที่ไม่มีจิตใจแยบคลายความหลงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยความหลงก็เพื่อสร้างความหลงความทุกข์ก็เพื่อสร้างความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่พึ้ต่พือไปถ้าเรามีสติอแยบคลายดีๆความหลงเป็นเหตุให้เกิดความรู้เลยสบายเลยป่ะโอ้ความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้ คนหลงเทไรรู้สึกตัวไม่เสียหายไม่ได้ไปกับมันเลยพอมันต่างกันอยู่ ด, ดูไปดูมาดูไปดูว่าพอมันหลงเทไรรู้ความหลงก็หมดไปวุ่ไปหายไปทำย่อมชนะอธรรมอยู่เสมอความหลงไม่เป็นธรรมดอกควมรู้สึกตัวเป็นธรรมกว่าใช่ได้ความหลงมันใช่ไม่ได้เลยแต่ดูดีๆ ถ้าเราแ ย, ยบคลายดีๆนะหลงสักสองสามครั้งก็รู้แล้วรู้เท่าแล้วรู้ทันแล้วแต่เราไม่แ ย, ยบคลายเนี่หลงลอยคลั่งพันหลก็ยังหลงอยู่นั่นแหละความหลงยังลอยนวลอันเขาเขียนภาพใบฝาผนังศาลาเขาเขียนคําว่ากิเลสกิเลสเขียนเป็นรูปหมออาตัวหนัง ถ้าอ่านเดีแล้วว่ากินเลดแต่มันเป็นรูปหมาตัวนะั้นเขาเขียนศินละปนะละเขาเขียนกินเลดมันก็เป็นรูปเป็นรูปหมาตัวนะั้นอย่าปล่อยให้กินเลดเป็นรอยนวนลเขาเขียนอย่างนี้นะหมายถึงความหลงเออถ้ามันหลงเนี่ยดีมีประโยชน์อนะเพราะเราจะได้รู้สึกตัวดูดีดีดดสิ หลงอะไรหลงกายเห็นความหลงเห็นความคิดเห็นรูปเห็นรูปเห็นนามเห็นความหลงเห็นเป็นอาการความหลงดูไปดูมาความโกรธดูไปดูมาความทุกข์ดูไปดูมาความร้อนความหนาวดูไปดูมาความปวดความมื่อยดูไปดูมาความสุขความทุกข์ดูไปดูมาโอ้มันเป็นอาการเป็นอาการของกายของใจ แค่นั่นเองแล้วก็ไม่มีน้ำหนักกันหลยถ้าเราดูดีๆเนยไม่มีน้ำหนักแต่ก่อนความหลงมีน้ำหนักฟัดเราส่งเราไปสุดเหวี่ยงตายไปเป็นความโกรธความทุกข์ความยินดียินล่ไปน้องแต่ถ้าเรามีจิตใจแยกลายดูดีๆนะสร้างสิ่งไว้ร่มดีๆมันกับน้ำที่มันนิ่ง ปลามันบ้อนก็เห็นทันทีถ้าสิ่งแวดล้อมดีนะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันน้ําที่มันมีคลื่นปลามันบ้อนก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าปลาบ้อนเป็นยังไงมันเป็นคลื่นเหมือนกันทั้งหมดคนที่มีสติเนี่ยคนที่มีเจตนาคนที่เฝ้าดูอยู่มันจะทําให้นิ่งมันจะทําให้เงียบได้แม้จะอยู่ใน อ่าสิ่งไม่ดีมันก็ดีได้นะมันดีได้มันตัดไปได้ความรู้จากตัวมันสร้างสรรค์ขึ้นมามันเปลี่ยนได้ความวุ่นวายมันเปลี่ยนให้ความปกติความสับสนมันเปลี่ยนให้สิ่งที่เป็นระเบียบได้เราหัดทําดูสบายๆทําสบายๆเห็นความหลงที่ไรโอ้มันชื่นใจมั่นใจ เพราะมันหลงปั๊บมั่นใจเหมือนคนทำงานเขาทำงานในที่เขามีประสบการณ์เพราะมันผิดพลาดแต่คนทำงานที่มีการผิดพลาดขเขาเรียกว่าประสบการณ์คนขับรถที่แก้ไขการฉุกเฉินได้อันนั้นเรียกว่าเขาขับรถเป็นเช่นขับรถไปขับรถไป มีคนวิ่งตัดหน้าเขาใช้วิชาขับรถของเขาออกมาเหยียบเบรกกดแตะหักกลบจังหวะพอดีพอดีพ้นได้นั่นลหละเขาขับรถเป็นแล้วตรงนั่นแ่ะเขาขับรถเป็นไม่ใช่ขับรถวิ่งตามถนนเฉยๆยังไม่มีประสบการณ์ถ้าคราวที่มันจะผิดพลาดเขาแก้ได้ เราโอกาสที่เขาขับรถชำนนยชำนาญขาเขาก็ไปเหยียบเบกมือเขาก็จับพวงมาลัยกดแต่เขาขนออกมาความรู้ที่จะเป็นสัญญาณให้พ้นภัยเขาขนออกมาหรือว่าเหมือนกับหมอที่เขาตรวจโรคเขาจนเห็นโรควิธีฉัยของโรคเมื่อเขาพบเห็นโรค สมมติฐานของโลกเขาก็ดีดเจ้าเวอือได้อเห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วเหมือนหลวงพอ่อว่าป harma มันหลวงพ่อปวดฟันเนี่ยไปหาหมอต่อหมอทําไมคุณหมอฟันฟันจังปวดอยู่ดีๆมันปวดเนี่ยมันเป็นอะไรไปหาหมอหมอก็ดูต่อเขาดูไปดูว่าโอ้รู้แล้วรู้แล้วห ล, ลวลงพอ่อฟันมันเป็นรูจนถึงลากตัวนั้นเนี่ย มันมีอะไรมาปิดรูปนี่เขาก็เคีย่ยออกมันก็หายปวดเขาเห็นเขาเห็นสมุทฐานเขาดูออกชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาอยู่ไม่ใช่จะทุกข์ตับพึภือไปไม่ใช่จะสุขตับพทึภือไป ไปใช่จะโกรธจะพึ่งเถื่ อ, ปอไปไปใช่จะร้องจะพึ่งเถือไปอมันหลงอยู่ถึงตรงไหนก็ไม่หลงก็อยู่ตรง น, นั้นไปไม่ไกลมันโกรธอยู่ตรงไหนก็ไม่โกรธก็อยู่ตรง น, นั้นมันทุกข์อยู่ตรงไหนก็ไม่ทุกข์ก็อยู่ตรง น, นั้นดูดีๆของจะมันอยู่ด้วยกันในชีวิตเรามันมีคู่มองมองแบบมีคู่พรอมางโกรธก็มองแบบ ไม่โกรธก็มีอยู่มันหลงก็มองแบบไม่หลงก็มีอยู่มันทุกข์ก็มองแบบไม่ทุกข์ก็มีอยู่มองเป็นคู่อย่างนี้มีหวังไม่หวังไม่ใช่สิ้นหวังบางคนปล่อยให้อกหักไม่ใช่ปล่อยให้เสียใจเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับเสียงอื่นวัตถุอื่นไม่ไม่ใช่ชีวิตเราว่ามีหลักแรงอยู่ถ้าคนสร้างสตินะ เขาข้างความรู้สึกตัวเอาไว้เข้าข้างความรู้สึกตัวเอาไว้จะเป็นชีวิตที่มั่นคงดีพอรู้สึกตัวเนี่ยมันเฉลยรู้สึกเมื อ, อะไรมันเฉลยเมื่อนั้นมันเป็นตัวเฉลยปัญหาทั้งหมดปัญหาของกายปัญหาของใจความรู้สึกตัวถ้ามันแจกกล้ามันเฉลยได้หมดเลยเป็นตัวเฉลยให้เหลือศูนย์ความโกรธเฉลยไปเฉลยมาหเหลือศูนย์ อาฆ่าผมมีความโกรธแต่ถ้าเราไม่เฉลยความโกรธก็มีค่าความทุกข์ก็ไม่ค่าความโลภ ค, ความหลงก็มีฆ่าคามรู้สึกตัวเฉลยหมดค่าเลยเหลือศูนย์ไม่มีค่าแม้แต่จะจกโกรธก็โกรธไม่ได้เพราะมันไม่มีค่าอะไรไม่ถูกต้องแล้วควารู้สึกตัวมันเหลือศูนย์แล้วเหลือศูย์แล้วชีวิตที่มันเหลือศูนย์ตั้งต้นจากศูนย์ มันจึงถูกต้องืันเราไปเติมน้ำมันถ้าคอมพิวเตอร์หน้าจอปั๊มน้ำมันเขาไม่มีศูนย์ตั้งแล้วแสดงว่าไม่ถูกต้องปั๊มนั้นใช่ไฟตาวันไปเติมปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ไปทุ่งกำหมังนเราเติมปั๊บหกร้อยบาทเราดูตัวเลขเลาวพอเลยบอกเขาหยุด ทำไมเป็นอย่างนี้อาเปาหลวงพอ่อมันตัวเลขมันตั้งไปสองรอยแล้วหนูจะลบไม้หนูจะลบไม่แต่เราไม่ดูก็เขาก็บวกสองรอยไปเลยเป็นหกรอยบาทแทนที่จะเสียเงินสี่ร้อยบาทเสียเงินเป็นหกร้อยบาททำไมำเพิ่มคนไปอย่างนี้มันเสียมันเสียมันเสียมันตั้งไม่ได้ตั้งที่ศูนย์เพราะเราเลยผิดเพี้ยนไปเพจาะฉะนั้นชีวิตของเราเหมือนกัน มันมีค่าอะไรความโกรธก็มีค่าความทุกข์ก็มีค่ า, ค า, คาล้วเราทำให้บรรถุกต้องมันไม่มีค่าไม่มีค่าจริงๆความโกรธ ค, ความทุกข์ความรักความชังไม่มีค่ามันเป็นอาการปกติมีค่ากว่าปกตินี่เป็นค่าชีวิตเราก็ทำตามความโกรธ โล ด, ดตึกตายว่าแขนคอตายบ้างข้าตัวบ้างอกหักเสียอกเสียใจเพราะมันมีค่าแล้วของไม่มีค่าก็ไปทําให้มันมีค่าขึซะแล้วก็ผิดพลาดอยู่ใช่ไหยมันไม่มีจริงๆงมันคนหมอดีหลอกพูดนะมันไม่มีค่าเราไปนึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันไม่ใช่อะลองดูดีๆดูกายเคลื่อนไหวไปมาโอ้มันมีตัวลู ตัวลูกมันเห็นพอมันคิดพักมันก็เห็นโอ้มันหลงเห็นพักแต่ก่อนความคิดไม่ค่ามาะไปไกลไปยินดีไปยินร้ายไปชอบไปไม่ชอบไปยึดเอาไม่ข้าไปไกลพอมาดูยิงพอมัคิดพักโอ้วามคิดมันเกิดขึ้นเพราะหลงถ้าไม่หลงก็คิดไม่ได้ลูกสืบตัวมันก็ลูกเหตุแต่ไหนคิดมันมีสองอย่าง อันหนึ่งตั้งใจ ค, คิดอันตั้งใจ ค, คิดไม่ค่อยอยากคิดหรอกนั้นก็ไปเป็นการบ้านนั้นครูให้การบ้านเด็กนักเรียนให้ไปคิดเรื่องนี้ดูไม่อยากคิดทิ้งไว้นั้นแหละแต่คิดแบบหนึ่งความลักคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนตัวนี้เป็นตัวขยันเขาเรียกว่าสมุทยัยหรือ ว, ว่าสังขารขยันตัวเนี่นะอยากคิดมันก็คิด เวลานอนก็หาเรื่องไว้คิดคิดโน่นคิดนี้ออกไปเป็นเรื่องเวลาคิดไปทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ของจริงอะไรแล้วปล่อยให้มันลอยนวลอยู่หนึ่งชั่วโมงว่างสองชั่วโมงบ้างคิดไปคิดไปอ้าวกัดต่อดตัวเองทำตอนร้อยเครียดขึ้นมานันไม่หลับแต่มันมีตัวเป็นตนจริงไห ม, ไมเห็นความคิดอนะเราเคยดูมันไหม ไม่เคยเห็นเลยหลวงพอ่อสมไมก๋อสามสิบปีอายุสามสิบปีไม่รู้เลยเรื่องเนี่ยนอนอยู่เฉยๆก็โกรธไม่มีใครมาดูมาด่าก็โอดเพราะความคิดตัวเองเป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองมีไหมโยมไม่มีใครมาว่าเลยคิดขึ้นมาแล้วอ้อมตาไหลเลยน อ, อนไม่หลับเลยบางทีเป็นโจรเป็นผู้ร้ายก็ไม่ฆ่ามันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม กำมัดกัดฝันคิดึ้นมาปุ้งเลยโอ้ยหลวงพ่อมาพบหลวงพ่อเทียนให้ดูคนคิดอย่าเข้าไปในความคิดพเทียนบอก่าเข้าไปในความคิดถ้าเห็นมันคิดพอไม่คิดแล้วกลับมาอพอมาทำาริงจริงมันตรงนี้แน่นอนอพอมีสติเหมือนกับแสงสว่างความคิดเหมือนกับความมืด ความมืดกับแสงสว่างมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเมื่อมีแสงสว่างนานนาห น, นึ่งชั่วโมงความมืดก็ไม่มีหนึ่งชั่วโมงแสงสว่างสองชั่วโมงความมืดก็ไม่มีทั้งสองชั่วโมงแสงสว่างไม่ยี่ชั่วโมงความมืดก็ไม่มีย ส, สี่ชั่วโมงแต่เป็นความมืดในชีวิตหมายถึงความหลงเอาลองดูมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไป เมื่อไม่มีโอกาสหลงม่แต่ตัวลูกคลองคก้หมหลงก็หมดเชื่อได้นะเหมือนเข้าปลูกที่เราเอาไว้ทาพันเมื่อมันไม่ได้กินอายของฝนเก็บไว้ในลูกยุ่งในฉานสองปีสามปีไม่เอามาสัมผัสกับดินกับน้ำมันก็หมดเชื่อได้นะครับเอาไปหวานไม่งอกเลยใช้ไหมโยม เม็ดถัว่วเม็ดงาคุ้มกันถ้าเจ็บไปนานเกินไปเอาไปพ่อไปวัดไม่เกิดไม่ออกหนอกไม่งอกเลยตัวโลกตัวโกรธตัวหลง ต, ตัวทุกข์ในข้อมงัลมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่อะไรทั้งหมดอยู่กับการกระทำไอ้เรารู้สักตัวหนึ่งวันสองวัน รู้สุตัวหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไปทำตามที่พระพุทธเจ้าท้าทายเอาไว้พราะพระพุทธเจ้าท้าทายเอาไว้ว่าผู้ใดมีสติอย่างต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเกตวันอย่างไวที่สุดอย่างกลางหนึ่งเดือนถึงเกตเดือนอย่างชา้าหนึ่งปีถึงเกตปีจะเกิดอนี่สองสองประกาศหนึ่งเป็นพระอนาคายบุคคลสองเป็นพระรหั์ หมายถึงกิดนะอาาค้ามีบุคคลหมายถึงคุณมีกิดรอบเดียวมีรอบคนเดียวพบเดียวไม่มีสองพบสามพบเก่นหลงไปได้เลยไม่หลงอีกโกรธไปได้เลยไม่โกรธอีกมีไหมเราโกรธเรื่องโกรธเรื่องนี้โกรธครั้งเดียวไม่โกรธอีกเลยมีไหมหรือว่าโกรธหลายครั้ง เรื่องเดียวอามาคิดอยู่ก็โกรธเอใช่ไหมเอ้ยมันไม่ใช่พนาคงานมีพนาคามีไปรอบเดียวแม่มีก็นิดหน่อยเบาบางถ้าเป็นความโกรธก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเบาไหมยี่บห้าเปอร์เซ็นตดชนร0อยเปอร์เซ็นโสดาบันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตกีทาคามีห้าสิบเอร์เซ็นตนาคามียี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเบาไหม ถ้าเป็นความร้อนก็ยี่ห้าองศาใช่ไหมต้มอะไรไม่สุกถ้าเป็นความหนาวก็ไม่หนาวมากแต่เป็นความร้อนก็ไม่ร้อนมากไม่ถึงกับทําให้เสียหารรอบเดียวไปได้เลยพ่นไปเลยรอบเดียวพ่นไปเลยผ่านไปแต่เพืธอเพื่อผ่านไปเรื่องเดียวทุกแล้วทุกอีกโกรธแล้วโกรธอีกหลงแล้วหลงอีกใช่ไหมได้อะไรบ้าง โกรธเรื่องนี้ได้อะไรทุกวันนี้นะเขาเห็นจุดอ่อนของคนสงครามเย็นเขาจะทําให้คนโกรธเขาจะทำให้คนทุกคนโกรธถ้าใครทําให้คนโกรธได้หรือว่าเขาสำเร็จถ้าเขาคนนั่นโกรธบ่อ ย, อยทุกอยู่ไบ่อ ย, อยก็มีหวังอายุไม่เยือตายง่าย ถ้าแม่มัโกรธไปบ่อยถ้าแม่มันโกรธบ่อ ย, รอยเราไม่ต้ตายหรอกเพราะว่ากันอย่างนี้เลยนะทุกเราโกรธพราะคนอื่นทำํำไมเราโกรธมันเสียเปลี่ยบเสียเปรียบอ่เเบะเขาเน่ยไม่อะไรด้วยอะไรเขาทําให้เราโกรธเขาทําให้เราทุกข์ทำไมยังเป็นอย่างนั้นอุดรชนเนี่ย้อยทั้งลอยเป็นทุกข์พวกคนอื่นเป็นทุกข์พราวัตถุสิ่งอื่นทําให้เราเป็นทุกข์ ตัวเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วลมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆัจบันนี้เรามาดูมาลูไม่เห็นมันไม่ใช่คนอื่นไม่เกี่ยวเลยดูกับเราถ้าเรารู้สึกตัวจะมั่นใจไหมมั่นใจเนี่ยเราอยู่ของเราเราลู้อยู่เนะี่ยเราลู้เราเห็นมันอยู่เนะี่ยของที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะทำอะไรให้เราได้ เราจวมาสร้างความรู้สึกตัว